แก้สงสารตัวเองคนเข้มแข็งจะมองว่าการห้ามใจจากการทำผิดเป็นชีวิตที่เข้มแข็งน่าภูมิใจคนอ่อนแอจะมองว่าการต้องทนอดกลั้นต่อแรงยั่วยุ ข, ของกิเลสเป็นชีวิตที่น่าสงสารน่าทรมานใจ ความรู้สึกสงสารตัวเองมักกลายเป็นข้ออ้างอันชอบธรรมสำหรับคนอ่อนแอให้ประพฤติผิดด้วยความคิดว่าช่วยไม่ได้จะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันต่อเมื่อฝึกที่จะเปลี่ยนมุมมองรู้จักภูมิใจในความสามารถเอาชนะตัวเองรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นหลังผ่านด่านกิเลสสำเร็จในแต่ละครั้งคุณจะเลิกสงสารตัวเอง เห็นตัวเองน่านับถือพอจะเชิดหน้ามองเงาในกระจกเพื่อเห็นคนชนะที่มาแทนขี้แพ้ในวันก่อนๆได้อย่ามองทางลัดอย่าหลงนึกว่าความอ่อนแอเป็นจุดอ่อนที่มียาวิเศษพ่นใส่ทีเดียวหายไม่มีอุบายใดๆบรนดานให้คนอ่อนแอกลายเป็นคนเข้มแข็งชั่วข้ามคืนเปรียบเหมือนคนกล้ามเนื้อเหลว อยากมีกล้ามเนื้อที่แข็งต้องไม่ใช่นั่งพนมมือขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยคุณต้องค่อยๆออกแรงค่อยๆคิดถึงภาพสุดท้ายตั้งเป้าหมายว่าจะกลายเป็นคนเข้มแข็งให้ได้คนอ่อนแอจะรำคาญตัวเองแล้วก็เสียความนับถือตัวเองกันทั้งนั้นภาพความเป็นคนเข้มแข็งย่อมน่าอุ่นใจ และนำกลับมาซึ่งศักดิ์ศรีน่านับถือของตัวเองภาพความเป็นคนเข้มแข็งจึงเป็นเป้าหมายที่มีพลังมากพอจะชวนให้คุณยอมอดกลั้นกับอะไรก็ตามที่เคยอดกลั้นได้ยากหรืออดกลั้นไม่ได้เพราะแค่อดกลั้นได้ครั้งสองครั้งภาพนั้นก็จะกลายเป็นมโนภาพของจริงในตนแบบไม่ต้องเข็นจินตนาการกันแล้ว แก้อาการเบื่อโลกตอนอยู่ในอารมณ์เบื่อโลกคุณจะแยกยะไม่ออกว่าอะไรน่าเบื่อน้อยอะไรน่าเบื่อมากพระมองอะไรข้างนอกก็น่าเบื่อเหมือนๆกันไปหมดถ้าไม่มีสิ่งใดกระตุ้นให้คึกคักกระตรือรือร้นขึ้นมาได้เลยแท้จริงแล้วอาการเบื่อโลกเป็นเพียงความเบื่อที่แน่นหนาเข้มข้น จนกระทั่งบีบความรู้สึกให้ชมทุกขอยู่กับภายในไม่ยอมให้จิตเพยเยอะตัวออกไปรับความสุขจากสิ่งกระทบใดๆไ ด, ไ ด, ได้อันที่จริงแล้วคุณสามารถสารวจตัวเองได้ว่าอาการเบื่อโลกมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือเบื่อโลกที่จำเจแล้วอยากได้โลกใหม่ที่สดใสแวกแนวกว่าเดิมแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เบื่อแบบเนี้ยากจะหลุดพ้นจากความเบื่อได้แบบยั่งยืนเพราะเมื่อได้อะไรหวือหวาแปลกใหม่มาในที่สุดมันก็ต้องเก่าแก่ลงสำร้ายถ้าเบื่อความจำเจ อ, อยู่แนวโน้มคือควอยู่ภายใต้ปัจจัยให้ต้องจำเจ อ, อย่างนั้นอยู่แล้วยากจะขยับเคลื่อนไหวหรือดิ้นหนีไปทางอื่นได้รอดยกตัวอย่าง จาความเบื่อจุกอกจุดชนวนขึ้นมาจากความเบื่องานคนส่วนใหญ่จะรอให้งานมันสนุกขึ้นมาเองเกียร์คร้านเกินกว่าจะพยายามทำความสนุกให้กับงานบ้างเช่นคิดว่าจะทำงานเสร็จให้เร็วขึ้นสองเท่าหรือไปเรียนรู้สิ่งอื่นที่อยากเรียนเพื่อนำมาประยุกต์กับงานหรือฝึกทำส่วนของงานที่เคยต้องพึ่งพาคนอื่น อะไรที่แปลกใหม่จะสามารถเปลี่ยนโหมดสมองได้จริงสดชื่นขึ้นได้จริงแต่แม้รู้เช่นนี้คนส่วนใหญ่ก็เคยชินกับนิสัยติดตัวที่ยากจะแก้อยู่ดีการเบื่อประเภทที่สองคือเบื่อโลกภายนอกอันเป็นเท็จแล้วอยากหันมาสนใจโลกภายในอันเป็นจริงที่ว่าโลกภายนอกเป็นเท็จ ไม่ได้หมายเอาเฉพาะความโกหกปลิ้นปล้อนจอมปลอมของผู้คนแต่เหมารวมถึงโลกความจริงทั้งใบที่ใครๆเห็นว่าจับต้องได้และคุณนึกว่ามันมีความแน่นอนแท้จริงแล้วหากพิจารณาดูจะรู้ซึ้งว่าสิ่งใดกำลังปรากฏอยู่ท่าไหนในที่สุดจะต้องเปลี่ยนไปเป็นท่าอื่นทั้งหมดทั้งสิ้น ก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเลอะเลือนไปเป็นธรรมดาแล้วเราจะยึดถือสิ่งใดว่าเป็นจริงได้เล่าถ้าสิ่งใดเป็นจริงสิ่งนั้นต้องไม่เคลื่อนไม่แปลงไปราวกับภาพลวงตาใช่ไหมหากเบื่อโลกภายนอกอันเป็นเท็จคุณมีสิทธิ์หลุดพ้นจากความเบื่อได้จริงเพราะเมื่อเลิกใส่ใจความไม่เที่ยงภายนอกอันไร้แก่นสาร หันมาใส่ใจความไม่เที่ยงอันเป็นภายในอยู่คุณจะได้แก่นสารบางอย่างในทันทีเช่นแม้แต่ความเบื่อที่กำลังอัดแน่นอยู่ในตัวก็แน่นไม่เท่าเดิมในแต่ละลมหายใจที่ผ่านไปพอเห็นเช่นนี้จิตก็รู้ว่าความเบื่อเป็นเพียงพยับแดดลวงใจไม่ได้เป็นของจริงที่ยั่งยืนอะไรเลยจิตจึงเลิกยึดอารมณ์เบื่อ เลิกทุกทรมานกับความเบื่อเหมือนคนที่ตื่นจากหลับแล้วคลายมือออกจากท่ากรรมสิ่งลวงตาในฝันจะได้ง่ายแก้ความรู้สึกผิดแต่ละคนมีความผิดที่ย้อนคิดแล้วเสียดแทงแสลงใจตอนทําลงไปไม่รู้ว่ามันผิดตอนย้อนคิด ถึงรู้สึกว่าหน้าอายคลายสกิดแปลที่ซุกไว้ให้ปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาอีกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดคิดกี่ทีก็เป็นทุกข์อยากย้อนกลับไปแก้ก็ย้อนไม่ได้แล้วคนอื่นได้ยินไปแล้วหรือใครๆก็เห็นหมดแล้วหรืออย่างน้อยก็รู้อยู่แก่ใจคนเดียวแล้วว่าเราทำ เรื่องบางเรื่องอาจเกิดขึ้นในวัยเด็กแต่ถ้าทำให้รู้สึกผิดแรงๆหรืออับอายขายหน้ามากๆคุณจะไม่ลืมแม้เวลาผ่านไปอายุมากขึ้นเพียงใดก็ตามยิ่งความทรงจำแจ่มชัดก็ยิ่งเหมือนเกิดขึ้นหยกๆนี่เองความทุกข์ไม่มีวัยไม่มีวุธิภาวะไม่มีหน้าตา มีแต่ระดับความแรงมากพอจะทำให้ฝังใจจำหรือไม่เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระตุ้นให้นึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วเกิดความทุกข์ร้อนกระสับกระส่ายรู้สึกผิดหรือเหมือนตัวตลกอับอายขึ้นมาราวกับเรื่องเพิ่งเกิดเมื่อครู่ขอให้ทราบว่านั่นคือปมที่ไม่มีทางแกะออกมีทางเดียวคือคุณต้องใช้ประโยชน์จากมัน ให้ตั้งหลักจากการพินิษดูว่าความรู้เท่าไม่ถึงการหรือบาปผิดหนึ่งๆ น, นั้นยืนพื้นอยู่บนจิตใจหรืออารมณ์ประมาณไหนยกตัวอย่างเช่นอารมณ์คึกขนองอยากกลั่นแกล้งอารมณ์เจ็บใจอยากเอาคืนอารมณ์อยากอวดบ้ากล้าเด่นดังอารมณ์เห็นแก่ตัวอยากหลอกลวงอารมณ์อยากเผยใจอารมณ์เพศที่อดไม่ได้ อารมณ์หิวเงินจนหน้ามืดอารมณ์ปล่อยใจอยากเพ้อพลางพูดไม่คิดหรือเป็นอารมณ์ปกติดีอยู่นี้แต่ด้วยความไม่รู้ว่าพูดบางคำและจะเข้าใจผิดกันใหญ่โตเป็นต้นเมื่อเห็นอารมณ์อันเป็นรากฐานของกรรมชัดๆแล้วก็ให้พิจารณาต่อไปว่าอารมณ์แบบนั้นๆยังคงมีอยู่ในเราไหมในวันนี้ ตอบให้ตรงตอบให้ชัดถ้ามีก็ตอบตัวเองว่ามีเพื่อให้เกิดบูความรู้สึกว่าตัวเดิมที่เคยผิดเคยน่าอายมันยังคงอยู่และอาจแปรริษเพิ่มเรื่องผิดเพิ่มความน่าอายขึ้นมาอีกเมื่อไรก็ได้ที่ตรงนั้นคุณจะมีแก่ใจคิดแก้คิดเปลี่ยนคิดต่อสู้คิดต้านทานกับอารมณ์นั้นๆ แล้วรู้สึกดีที่ตัวเองจะไม่เข้าฝักเข้าฝ่ายกับอารมณ์น่าละอายไม่ปล่อยให้เป็นเสีย้ยนหนามเสียดแทงใจกันอีกต่อไปแต่ถ้าตัวเดิมที่เคยผิดเคยน่าอายมันหายไปแล้วคืออารมณ์แบบนั้นไม่หลงเหลือไม่มีผิดไม่มีพลาดไม่มีพลังไม่มีเผลอเช่นนั้นอีกแล้วก็ให้บอกตัวเองดังๆว่าเป็นคนละตัวกันแล้ว ไม่ใช่แบบนั้นแล้วคุณจะได้เกิดมูบความรู้สึกว่าอารมณ์เดิมเป็นเพียงตัวตนที่หายไปจะเหลือก็แต่ความทรงจำที่ยังเตือนอยู่เท่าว่าความทรงจำดังกล่าวก็ไม่ใช่กรรมใหม่อีกต่อไปแล้วจึงไม่ใช่เรื่องต้องน่ารู้สึกผิดหรือรู้สึกอายอีกแล้วเรื่องน่าอายจริงๆในตอนนี้ เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อยังคงเดินหน้าก่อกรรมใหม่ไม่ต่างไปจากเดิมไม่รู้จักคิดอะไรเพิ่มเติมเลยเท่านั้น